อยู่มาวันหนึ่งเมื่อดาบดดาบสินีทั้งสองนำมูลพลาผลในป่ากลับมาในเวลาเย็นถึงที่ใกล้อาสมบทมหาเมฆตั้งขึ้นฝนตกท่านทั้งสองจึงเข้าไปสู่โคนไม้แห่งหนึ่งยืนอยู่บนยอดจอมปลวกอสระพิษมีอยู่ภายในจอมปลวกนั้นน้ำฝนเจือกลิ่นเหงื่อจากสรีระทั้งสองของท่านนั้น ไหลลงเข้ารูจมูกแห่งอสารพิษนั้นมันโกรธพ่นลมในจมูกออกมาลมในจมูกนั้นถูกจักสุทั้งสองข้างแห่งดาบทและดาบศิีนีนั้นทั้งสองท่านนั้นก็เป็นคนจักสุบอดไม่เห็นกันและกันเพราะลมนั้นทุ ก, กุลบัณฑิตเรียกนางปาริกามาบอกว่าปาริกาจักสุทั้งสองของฉันมืดฉันมองไม่เห็นเธอ แม่นางปาริกาก็กล่าวอย่างนั้นเหมือนกันทั้งสองมองไม่เห็นทางก็ยืนคร่อครวญอยู่ด้วยเข้าใจว่าบัดนี้ชีวิตของเราทั้งสองไม่มีละก็ดาบทและดาบทินีทั้งสองนั้นมีบุรพกรรมเป็นอย่างไรได้เห็นว่าท่านทั้งสองนั้นในปางก่อนเกิดในสกุลแพทย์ ครั้งนั้นแพทย์นั้นรักษาโรคในจักสุของบุรุษมีทรัพมากคนหนึ่งบุรุษนั้นจักสุหายดีแล้วไม่ให้ทรัพค่ารักษาอะไรๆแก่แพทย์นั้นแพทย์โกรธเขาไปสู่เรือนแจ้งแก่ภริยาของตนว่าที่รักฉันรักษาโรคในจักสุ ข, ของบุรุษนั้นหายบัดนี้เขาไม่ให้ทรัพค่ารักษาแก่ฉันเราจะทาอย่างไรดี บายภริยาได้สดับสามีกล่าวก็โกรธจึงกล่าวว่าเราไม่ต้องการทรัพย์ที่มีอยู่ของมันท่านจงประกอบยาขนานหนึ่งให้มันหยอดทำจักสุทั้งสองของมันให้บอดเสียเลยสามีเห็นชอบด้วยจึงออกจากเรือนไปหาบุรุษนั้นได้กระทำตามนั้นบุรุษผู้มีทรัพย์มากคนนั้นไม่นานนักก็กลับจักสุมืดไปอีก ดาบทและดาบทินีทั้งสองมีจักสุมืดด้วยบาป ก, กรรมอันนี้ลำดับนั้นพระมหัสสัจคิดว่ามารดาบิดาของเราในวันอื่นๆเคยกลับเวลานี้บัดนี้เราไม่รู้เรื่องราวของท่านทั้งสองนั้นจึงเดินสวนทางร้องเรียกหาไปท่านทั้งสองนั้นจำเสียงบุตรได้ก็ขานรับแล้วกล่าวห้ามด้วยความรักในบุตรว่า มีอันตรายในที่นี้อย่ามาเลยลูกพระมหาสัตว์ตอบท่านทั้งสองว่าถ้าเช่นนั้นท่านทั้งสองจงจับปลายไม้เท้านี้มาเถิดแล้วยื่นไม้เท้ายาวให้ท่านทรงลองจับท่านทั้งสองจับปลายไม้เท้าแล้วมหาบุตรพระมหาสัตว์ถามว่าจักษุของท่านทั้งสองมืดไปด้วยเหตุอะไร มารดาบิดาทั้งสองก็เล่าให้พระมหาสัตว์ผู้บุตรฟังว่าลูกรักเมื่อฝนตกเราทั้งสองยืนอยู่บนยอดจอมปลวกที่โคนไม้ในที่นี้จักสุทั้งสองมืดไปด้วยเหตุนั้นพระมหาสัตว์ได้สดับคำของมารดาบิดาก็รู้ว่าอสารพิษมีในจอมปลวกนั้นอสารพิษนั้นขัดเคืองปล่อยลมในจมูกออกมา พระมหาสัตว์เห็นมารดาบิดาแล้วร้องไห้และหัวเราะมารดาบิดาจึงถามว่าทําไมถึงร้องไห้และหัวเราะพระมหาสัตว์ตอบว่าข้าพเจ้าร้องไห้ด้วยเสียใจว่าจักสุของท่านทั้งสองพินาศไปในเวลาที่ข้าพเจ้ายังเป็นเด็กอยู่แต่ข้าพเจ้าหัวเราะด้วยดีใจว่าข้าพเจ้าจะได้ปฏิบัติบำรุงท่านทั้งสองในบัดนี้ ขอท่านทั้งสองอย่าได้คิดอะไรเลยข้าพเจ้าจาักปฏบิบัติบำรุงท่านทั้งสองให้ผาสุขพระมหาสัตว์ปลอบโยนให้มารดาบิดาทั้งสองเบาใจแล้วนำมาอาสมบทผูกเชือกเป็นราวในที่ทั้งปวงสาหรับมารดาบิดาทั้งสองนั้นคือที่พักกลางคืนที่พักกลางวันที่จงกรมบนนารรณศลาที่ทายอุจจาระปสาวะ จำเดินแต่นั้นมาให้มารดาบิดาอยู่ในอาสมบทไปนํามูลพราผลในป่ามาเองตั้งไว้ในบนารรณศาลากว่าที่อยู่ของมารดาบิดาแต่เช้าทีเดียวไหว้มารดาบิดาแล้วถือหม้อน้ําไปสู่มิกขะสัมมาตานที น, นําน้ําดื่มมาแต่งตั้งของฉันไว้ให้ไม้สีฟันและน้ําบ้วนปากเป็นต้น ให้พลาผลที่มีรสอร่อยเมื่อมารดาบิดาบริโภคและบ้วนปากแล้วตนเองจึงบริโภคพลาผลที่เหลือเสร็จกิจบริโภคแล้วไหว้าลามารดาบิดามีฝูงมารึกแวดล้อมเข้าป่าเพื่อต้องการหาพลาผลเรากินนอนที่เชิงบรนพ์แวดล้อมพระโพธิสัตว์ช่วยเก็บพลาผลให้พระโพธิสัตว์ เวลาเย็นพระโพธิสัตว์กลับมาอาสมเอาหม้อตักน้ํามาตั้งไว้ต้มน้ําให้ร้อนแล้วอาบและล้างเท้ามารดาบิดาตามอัธยาศัยนํากระเบื้อง่านเพลิงมาให้ผิงเช็ดมือเท้าของมารดาบิดาเมื่อมารดาบิดานั่งแล้วให้บริโภคผลาผลส่วนตนเองบริโภคเมื่อมารดาบิดาบริโภคเสร็จแล้ว จัดวางพลาผลที่เหลือไว้ในอาสมบทพระโพธิสัตว์ปฏิบัติบำรุงมารดาบิดาโดยทานองนี้ทีเดียว